โสระสมวัตหนึห่งนิกาหกถาหนึว่าด้วยการคมจิต743ดสกวาทีบุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นว่าอย่ากำหนัดอย่าขัดเคืองอย่าหลงอย่าเศร้าหมองได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาธีบุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมประวาทีใช่ักวาธีบุคคลอื่นคมได้ว่าภาษาที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นอย่าได้ดับไปเลยใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นจักวาทีบุคคลอื่นคมได้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นสัญญาที่เกิดขึ้นเจตนาที่เกิดขึ้นจิตที่เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้น วิริยะที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นอย่าได้ดับไปเลยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นละราคะโทสะอนโตตะปะเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นคลมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีบุคคลอื่นเจริญมัชสติปัฐานโพชชงเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นคลมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีบุคคลอื่นกําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมักเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปราวาทีใช่ศักวาธีบุคคลอื่นทําให้แก่คนอื่นสุขทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลละคนกัน ทั้งรมและเสวยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลทําบาปเองก็เศร้าหมองเองไม่ทําบาปเองก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน บุคคลอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้มีอยู่จริงมิเทวหรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลอื่นขมจิตของคนอื่นได้เจ็ดร้อยส4ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลอื่นขมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาที บุคคลผู้มีกําลังมีอยู่บุคคลผู้มีอํานาจก็มีอยู่ไมกก่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้มีกําลังมีอยู่บุคคลผู้มีอํานาจก็มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้นิฆาคาถาจบ 2. ปักคาถาหนึาสิบ ว่าด้วยการบังคับจิตเจ็ดร้อยสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาตีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นว่าอย่ากำนัดอย่าขัดเคืองอย่าหลงอย่าเศ้ามองได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาตีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นให้กุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเกิดแก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่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 ปรวาทีใช่ั ก, กวาทีบุคคลอื่นละราคะโทสะม oh a, โมหะอนุตตปะเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีบุคคลอื่นบงังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ั ก, กวาทีบุคคลอื่นเจริญมักสติปัฏฐานพช่ชงเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหม ปรวาทีไม right? ่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นกำหนดรู้ทุก์เจริญมรรคเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาตีบุคคลอื่นทำให้แก่คนอื่นสุขทุกมีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลคนละคนกันทั้งทำและเสวยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาตีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาตีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลทาบาปเอง บุคคลอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้มีอยู่จริงไม่เช่หรือปร ว, กกรวาทีใช่ักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้เจ6ดร้สิปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมักวาทีใช่ปรวาทีาทบุคคลอื่นผู้มีกาลังมีอยู่ คนผู้มีอำนาจก็มีอยู่ไม่ใช่หรือักวาธีใช่ปรวาธีหากบุคคลผู้มีกําลังมีอยู่บุคคลผู้มีอํานาจก็มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ปักกหากถาจบ 3. ส, สุขานุปทานากถา158ว่าด้วยการมอบสุข เจ็ดร้อกวาตีบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาตีบุคคลอื่นมอบทุกข์ให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาตีบุคคลอื่นมอบทุกข์ให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาตีบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีบุคคลอื่นมอบสุขของตนสุขของคนเหล่าอื่นสุขของผู้รับนั้นให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลอื่นมอบสุขของตนสุขของคนเหล่าอื่นสุขของผู้รับนั้นให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมปรวาธี ใช่สักวาทีหากบุคคลอื่นมอบสุขของตนสุขของคนเหล่าอื่นสุขของผู้รับนั้นให้คนอื่นไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้สักวาทีบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีบุคคลอื่นทําให้แก่คนอื่นสุขทุกขมีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลละคนกัน ทั้งทำและเสวยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ิบแปดปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่ว่าท่านพระอุทายีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคทรงกําจัดสภาวธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำสภาวะฒร์มันเป็นเหตุแ ех, ห่าา ง, หงรรส Freiheit, ุเสเขเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงกําจัดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาธีใช่ ปรวาทีดังนั้นบุคคลอื่นจึงมอบสุขให้คนอื่นได้สุขานุปทานากถาจบ4อธิคัยหมณศิการลากถา159ว่าด้วยมณติการรวบยอด749บุคคลมณติการรวบยอดได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ ศักวาทีรู้ชัดจิตนั้นด้วยจิตนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศักวาทีรู้ชัดจิตนั้นด้วยจิตนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่ศัก ada, วาท claro ี dan, ร, ร, รู้ชัดจิตนั้นด้วยจิตนั้นว่าเป็นจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรู้ชัดจ hm ิตนั้นด้วยจิตนั้นว่าเป็นจิตใช <inadequate S 1> ่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีจิตนั้นเป็นอารมณ์ของจิตนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีจิตนั้นเป็นอารมณ์ของจิตนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกกวาธีถูกต้องผัสสนั้นด้วยผัสสนั้นเสวยเวทนานั้นด้วยเวทนานั้นจำสัญญานั้นด้วยสัญญานั้นจงใจเจตนานั้นด้วยเจตานานั้น คิดจิตนั้นด้วยจิตนั้นตรึกถึงวิตกนั้นด้วยวิตกนั้นตรองวิจานนั้นด้วยวิจารนนั้นเออบิมปีตินั้นด้วยปีตินั้นระลึกสตินั้นด้วยสตินั้นรู้ชัดปัญญานั้นด้วยปัญญานั้นใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็้อยห้าสกวาทีบุคคลเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีต ย่อมมณสิการตภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อมณติการตภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมมณติการตภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งภัตตะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อมนสิกการสภาวะธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมนสิการสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อมนสิการสภาวะธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมนัสิการสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาที ใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งภัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อมนัสสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมนัสสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตมนัสสิการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที ม, มืนสิกการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมมนสิกการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตมนสิกการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งภัสาสามอย่างจิตสามดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็สกวาที เมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมนัสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อมนัสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีมีการประชุมแห่งภัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเมื่อมนสิการสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมนัสิการสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปาวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกษษนาวาทีเมื่อมนสิการสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคต ย่อมณติการสภาธระธมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีมีการประชุมแห่งผัตัดสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อมณติการสภาธระธมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมณติการสภาธระธมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีต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 มีการประชุมแห่งผัตสะสามอย่างติดสมดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจสกวาทีเมื่อมนติการสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันย่อมนติการสภาวะธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อมนติการสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบัน ย่อมมณติการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งพัตตะสออย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อมณติการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันย่อมมณติการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักว่าทีเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันย่อ ม, มนสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักว่าทีมีการประชุมแห่งภัตตะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบัน ย่อมมณสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตมณสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อมณสิการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันยอมมณสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตมณสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีมีการประชุมแห่งภัรษาสามอย่างตจดสาดวงใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจดหาปรวาธีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลมณสิการรวบยอดได้ใช่ไหมสกาวาธีใช่ปรวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมนายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกเมื่อนั้นย่อมนายในทุกนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมนายในทุก นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลจึงมนสิกา ร, รวบยอดได้อธิไยหามนสิการกถาจบ 5. รูปังเหตูติตกถา160ว่าด้วยรูปเป็นเหตุ754สกวาที รูปเป็นเหตุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอโลภะเป็นเหตุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอโทสะเป็นเหตุอโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเป็นเหตุใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีรู ป, ปรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีรู ป, ปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจมิใช่หรือปราวาทีใช่ักาวาทีหากรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นเหตุเจ็หห สักวาทีอโลภะเป็นเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่จักวาทีรูปเป็นเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอโทสะเป็นเหตุอโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุ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 แต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ห้าปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นเหตุใช่ไหมตกวาทีใช่ปรวาทีมหาภูตอ ร, รูปเป็นเหตุโดยเป็นที่อาศัยแห่งอุปาทายรูปไม่ใช่หรือสกวาทีใช่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 ปรวาทีใช่ักวาทีรูปม awesome eh ีอโลภเหตุตุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปมีเหตุโดยเหตุคือโทสะโดยเหตุคืออโมหะโดยเหตุคือโลภะโดยเหตุคือโทสะโดยเหตุคือโมหะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีรูปมีเหตุใช่ไหม ปรวาทีใช่ักวาทีรูปรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที หากรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปมีเหตุ7จ็สักวาทีอโลภมีเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวารีรูปมีเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีอโทสะเป็นไปกับเหตุอโมหะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโลภะโทสะโมหะมานะทิติวิจิกิจฉาถีนะอุทัจจะอหิบริกะอโนตัปปะมีเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธี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 7 5็ดปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปมีเหตุใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปมีปัจจัยไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากรูปมีปัจจัยดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปมีเหตุรู ป, ปังสเหตุตุกันติกถาจบ 7. รูปังกุศลากุศลันติกถา162ว่าด้วยรูปเป็นกุศลและอกุศลเจ็ดรสักกวาทีรูปเป็นกุศลใช่ไหมประวาทีใช่สักกวาทีรูปรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีรูปรับรู e. ้อารมณ์ไม่ได ouais ้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีหากรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกุศล761ดักสวาธีอโลภะเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอโทสะเป็นกุศลอมโมหะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที รูปเป็นกุศลรับรู้ gangs, อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอโลภเป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั S <S ้งใจใช่ไหมปรวาที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 ักรวาทีโทสะเป็นอกุศลโมหะม า, ะ um mm hmm. มามนะอนตตปะเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปราวาทีใช่ักรวาธีรูปเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีรูปเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้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 สกวาทีโทสะเป็นอกุศลโมหะมานะอนตตะ ป, ปะเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น764ปร้กวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นอกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีใช่ไหมสกวาธีใช่ ปรวาทีกายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีรู ป, ปังกุศ ล, า, ลกปปากุสลติกถาจบ 8. รูปังวิปากติกถา หนึ่งร้อว่ารูปเป็นวิบากเจ็ดร้กสากวาทีรูปเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกกวาธีรูปมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมาสุขเวทนาสำปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัมปยุทธ์ด้วยจิต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 ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นวิบาก766ดกสกสักวาทีผัสสะเป็นวิบากผัสสะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีรูปเป็นวิบากมีสุขเวทนามีทุกขเวทนา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 รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดรประวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นวิบากใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีสภาวธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเพราะได้มีการทํากรรมไว้เป็นวิบากมิเจ๊หรือสกวาทีใช่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 ว่าด้วยรูปเป็นรูปาวจรและอรูปาวจรเจ็กสกวาทีรูปที่เป็นรูปาวจรมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีรูปเป็นเครื่องสแสวงหาสมาบัติเป็นเครื่องแสวงหาอุบัตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสหรัตเกิดร่วมระคนสัมพยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกัน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 จหรคตเกิดร่วมระคนสัมปยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติดวงที่แสวงหาอุบัติดวงที่ไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมิใช่หรือปรวาทีใช่สกกวาทีหารูปไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติ ไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปที่เป็นอรูปราวจรมีอยู่เจ็สกวาทีรูปเป็นอรูปราวจรมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที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 ัวกวาธรูปไม่เป็นเครื่องแสแวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นตุกในปัจจุบันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิต ด, ดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติมิใช่หรือวรวาทีใช่สกวาทีหากรูปไ ม, Eleven, ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า รูปเป็นอรูปราวจรมีอยู่เจ็ดรอเจ็ดสิบปราวาทีพันไม่ยอมรับว่ารูปเป็นรูปราวจรก็มีเป็นอรูปราวจรก็มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีรูปชื่อว่าเป็นกามาวจรเพราะบุคคลได้ทำกรรมที่เป็นกามาวจรไว้ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปราวาทีหากรูปชื่อว่าเป็นกามาวจร พระบุคคลได้ทำกรรมที่เป็นการมวาจรไว้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปชื่อว่าเป็นรูปาวจรเพราะบุคคลได้ทำกรรมที่เป็นรูปาวจรไว้รูปชื่อว่าเป็นอรูปาวจรเพราะบุคคลได้ทำกรรมที่เป็นอรูปาวจรไว้รูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถาจบสิ รูปราโครูปธาตุปริยาปันโนติกอาทิกถา165ว่าด้วยรูปราคะนับเนื่องในรูปธาตุเป็นต้นเจ็ดจ็ดกวาทีรูปราคะนับเนื่องในรูปธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปราคะเป็นเครื่องสแสวงหาสมาบัตเป็นเครื่องสแสวงหาอุบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน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 ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปปาราคะนับเนื่องในรูปปธ์เจร้อยเจ็ดสกวาทีรูปปาราคะนับเนื่องในรูปปัทธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีสัทธาคะนับเนื่องในสัทธธาต์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีรูปปราคะนับเนื่องในรูปปัทธ์ใช่ไหมปรวาทีใช่ ักาวาทีคันธราคะรสราคะโภภพธปราคะนับเนื่องในโภภพธิปธาต์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีสัทธราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสัทธธาต์ใช่ไหมประวาทีใช่ักาวาทีรูปปราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในรู ป, ปรธาต์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาธีคันธราคะรัศราคะโพธพราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในโพธพธาติใช่ไหมประวาทีใช่ักวาธีรูปประราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในรูปธาติใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็จ็ดสกวาธีอรูปราคะนับเนื่องในอรูปธาติใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีอรูปปราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในอรูปธาต์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปราคะนับเนื่องในอรูปปธาต์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอรูปปราคะเป็นเครื่องแสวงหาสมาบัตเป็นเครื่องแสวงหาอุบัตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน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 ดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติดวงที่ไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นตุขในปัจจุบันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอรูปราคะนับเนื่องในอรูปธาตุเจ็ดรเสกวาทีอรูปราคะนับเนื่องในอรูปธาตุใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีสัทธาคะนับเนื่องในสัทธาตุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปราคะนับเนื่องในอรูปธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคันธราคะรัสราคะโพัพาราคะนับเนื่องในโพัพธาตุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีสัทธราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสัตธธาต์ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีอรูปปราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในอรูปปธาต์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีคันธราคะรัศราคะโพัพราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในโพัพพธาต์ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีอรูปปราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในอรูปปธาต์ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น7จ็ปราวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปปราคะนับเนื่องในรูปปธาต์อรูปปราคานับเนื่องในอรูปปธาต์ใช่ไหมักวาธีใช่ปราวาทีการมราคะนับเนื่องในการมาธาต์มิเทหรือ สกวาทีใช่ปรวาทีหากามราคะน้ำเนื่องในกามรมาธาตุดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปปราคะนับเนื่องในรูปธปาตุอรูปปราคะนับเนื่องในอรูปธาตุรู ป, ปราโครูปธาตุป ร, ริยาปันโนติอาทิกถาจบโสรสมวรคจบรวมกถาที่มีในวัคนี้คือหนึ่งนิฆะ กถาสปักขหกถา 3. ส, สุขานุปทานากถา 4. อธิคัยหามะณะสิการากถา 5. รูปังเหตุติกถา 6. กรูปังเสเหตุตุกันติกถา 7. รูปังกุศลากุศลันติกถา 8. รูปังวิปา ก, กติกถา 9. รูปังรูปาวจารารูปาวจารันติกถา10 รูปราโครูปธาตุปริยาปัโนติอาทิกถา